ใหญ่ตัิ่งว่าสมัติของเจ้าของความนี้จะจะจรตัวนี่มันทาลายเลยถนัดเตี้ยเ่าพูดลงทีมาตลอดทางเวรนั่นเราความเตี้วโลกทางานเพื่อโลกอยู่ตลอดเวลาจะไม่คิดได้ยังไงยังทุกยากลาบากทุกวันเพราะเดีืยอเ็โลกนั่นเองแต่ตัวลาพังเราอยู่ไหนเราก็อยู่ได้เราไม่ได้ไไดคุยนะวันหนึ่งม่ได้เจอใครไม่อยู่กับใคร เราสบายทรงแต่ท่าต่ขนันมันเป็นของไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมให้เป็นน้ำหนักกดท่วงกันเราสบายนี่จะรถ ด, ดูวีเข้ามาจมะ ด, ดกเข้าปากเขาเลยไม่ได้หวัง อ, อะไรกับใครพูดมันเต็มหัวใจว่ามันพอจะทุกอย่างแล้วพิจารณา จ, จนพอ น, นั่นแหละทรรมอี่ท่านว่าพอโลกเนหาเมืองพอหมห่ หัวใจเต็มไปด้วความหิวความโหยอะไรทับมันเท่าไหร่ไม่ก็ยืง่งแสดงกันเต็มดิดเต็มเด็กมันพูดนีงหัวใจเหมือนกันหัวใจคนทุกคนจนหัวใจคนโง่ตามหลักสมมุลนิยมนันไม่ได้มีความรุนแรง ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไม่ได้โลคมากโกรธมากหลงมากยิ่งกว่าหัวใจที่สําคัญต น, นว่ามั่งว่ามีว่ารู้ว่าฉลาดว่ายศถาบรรดาศักย์ใหญ่นี่ความสําคัญตรง น, นี้มันสร้างพิษสร้างภัยขึ้นมาเลยทําลายคนอื่นเราจะไปเข้าใจว่าคนที่มีสมบัติมั่มา ก, มากเขาจะมีความ โลภน้อยลงไปคนมีความรู้มากที่เหลือน้อยลงไปความโลภความขู่ความหลงน้อยลงไปอยาไปเข้าใจอย่างนั้นผิดร้อยทั้งร้อยทีเดียวมีมากเท่าไหรนั่นแหละตัวโลภมากยิ่ยงเพิ่มตะพัดตะพือความโลภมันมีเมืองพอ เมื่อไหร่นั่นให้คิดดูสิเสริมมันเท่าไหรมันก็ยิ่งมีกําลังตัพัดตับขึ้นไปนะเราพูดให้เต็มปากตามหลักความจริงเลยว่ามั่งมีเท่าไรยิ่งตัวโลกมากคือโลกจนก็ะทั่งตายนุ่นวันตายจะไม่มีลดหย่อนเลยเพราะไม่มีมันก็ไม่กระตือรือร้นพอที่จะดินด้นรนวุ่นวายทาความเดือดร้อนเสหายแก่ผู้อื่นมากมายเหมือนคนประเภทนี้น โลกสมมุินิยมนิยมมากองนี้ทำประโยชน์ให้โลกมากมายมันทำอะไรนี่จะกดขี่บังคับรีดไถถ้าไม่มีธรรมแทรกในหัวใจนะเป็นอย่างนั้นถ้ามีธรรมแทรกในหัวใจและมีธรรมภายในใจคําว่าแทรกกับมีที่ต่างกันแทรกมีเพ่างเล็กน้อยมีในหัวใจนี่มีมากพอที่จะทำประโยชน์ให้มากให้โลกได้มากมาย ด้วยความรู้ความฉลาดของตนด้วยยศขาบรรดาศักดิ์ของตนด้วยสมบัติเงินทองเข้าของของตนด้วยอุบายวิธีต่างๆสติปัญญาของตนโลกได้รับความร้องเย็นถ้ามีธรรมเข้าแทรกภายในใจและมีธรรมภายในใจยิ่งมีธรรมเต็มหัวใจโดยแล้วจะไม่มีอะไรเสียหายใแก่โลกเลยแสดงออกกิริยาท่าทางใดเป็นคุณเป็นประโยชนแก่โลกทั้งหมดเพราะจิตนั้นทรงไว้แล้วซึ่งมหาคุณอันอุดม เออมันอยู่ที่หัวใจนะยาเข้าใจแล้วมันอยู่อะไรอยู่กับอะไรความเสียหายก็ดีความเจริญรุ่งเรืององุรม์สมบูรณ์สมบูรสุขก็ดีมันอยู่ที่หัวใจใจเป็นผู้สร้า ง, งทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างขึ้นมาเดี๋ยวพูดรเรื่องโลกเรื่องธรรมเทียบกันให้เข้าใจใการวิร่งตามกิเลสนี้เมื่อไรมันจะทันก็เคยเห็นไหม คนวิ่งตามความโลภยิ่งตามความโกรธความหลงวิ่งตามราคะตัณหามีรายไหนบ้างในสามแดนโลกธานนี้ว่าค่าพอแล้วเพราะการวิ่งตามกิเลสประเภทต่างๆไม่เคยมีมีแต่เพิ่มแต่พัตนาพื้วิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มเพิ่มเพ่มขึ้นไปเท่านั้นที่จะให้ลดหย่อนผ่อนผันลงมาเพราะการวิ่งตามกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี้ไม่มีหวัง ตายพอตายทิ้งเปล่าๆ น, นั่นแหละเราจะว่าเราฉลาดที่ตรงไหนเมื่อเป็นเชนะ่นนั้นสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้พิษให้ร้ายต่องหัวใจของโลกแต่เรายังไม่ได้เห็นคุณเห็นโทษของมันเลยมีแต่เห็นคุณกุญแงมันวิ่งตามมันโดยแต่เดียวหันหลังให้ศาสนาคือความจริงหันหน้าเข้าสู่ความจางต่อมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหลนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยเราจะไปหา ปัญหาอะไรเราเป็นความสุขความเป็นเลิศถ้าลงหัวใจยังได้ดิ้นอยู่กับอำนาจของกิเลสตัวหลอกลวงนี่แล้วเราอยากเข้าใจว่าเราจะมีความสุขความสบายหวังเท่าไรก็ตายทพียงบาเบาเท่านั้นนี่คือหลักความจริงไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนโลกอแต่พูดถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดสามารถใครมีความฉลาดเทียมเท่าพระพุทธเจ้าในสามแดนโลกธาตุนี้ ไม่มีงบใยใดที่ทรงสอนมาแล้วผิดที่ตรงไห น, นที่ว่าผิดก็คือเรื่องของยิ่เลสมันค้านความจริงเท่านั้นมันไม่ได้ผิดแต่เป็นเรื่องของยิ่เลศมันค้านความจริงต่างหากยิเลศมันตัวจองปลอมมันต้องเป็นฝ่ายค้านเสมอฝ่ายที่จะเห็นตามไม่เคยมีเรื่องของกิ่เลสยิงเรียกว่าเป็นค่าสึกของธรรม นั่นแหละผู้ทีย่อเห็นไัยท่านเห็นอย่างนั้นเห็นประจักพระไท่ไผ่ก็เห็นอย่างถึงใจคุณก็เห็นอย่างถึงใจสลัดออกจนได้หลุดพ้นโท่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วอผู้นี้แหละผู้มีกําลังสามารถนาสัตว์โลกให้พ้นจากทุกในวัตฏสงสารแม้อยู่ในครอบครัวก็เป็นความมีความร่มเย็นเป็นสุข เพราะอาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องเยวยารักษาป้องกันตัวและครอบครัวสังคมต่างๆให้มีความสงบเย็นใจต่อกันนอกจากต่อตัวเองแล้วผู้นี้เป็นผู้สามารถนี่แหละฉลาดอย่างนี้ท่านจะเรียกว่าปันดิตานันจะเซวนา อเสวนาเจวานังก็หมายถึงความฉลาดฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายมารของศาสนาที่ว่าอเสวนาจะวานังอยากพบคนภ่านศาสนาอยากคนใดที่มีความรู้ความเห็นความประพฤติขัดแย้งต่อศาสนธรรมขัดแย้งต่อหลักความจริงอยากมีความรู้มากน้อยขนาดไหนก็คือมีพิษมีภัยมากขนาดนั้นต่อศาสนธรรมเป็นมารของศาสนธรรม เมื่อคบกับใครก็เป็นมารของผู้นั้นท่านท่านถึงห้ามให้คบคนประเภทนี้นั่นหมายถึงพานภาย น, นอกพานภายในก็อยู่ในหัวใจของเราแต่ละรายและหลายมันคิดขึ้นมาในวันหนึ่งหนึ่งเวลาหนึ่งหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรมันคิดแต่เรื่องพานทั้งนั้นเรื่องทําลายเจ้าของเรื่องทําลายสาสนาธรรมที่เจ้าของกําลังอุตส่าห์พยายามบำรุงและยัง ในความรู้สึกก็มีของที่ว่ากําลังบําเพ็ญอยู่นั่นแหละก็ถูกมารมันทำลายอยูตลอดเวลานี่พาลาค้ามเข่ามันว่าไอ้กิเลสจริงๆมันไม่ได้เข่านะมันทําเราให้เข่าต่างหากถ้ากิเลสเป็นตัวตัวพานตัวเข่าแล้วมันจะได้ครองโลกอย่างไรเล่าผู้ใดเป็นผู้ฉลาดผู้นั้นเป็นหัวหน้าแม้แต่สัตว์ก็สัตว์ฉลาดกษัตริย์ได้เป็นหัวหน้า คนฉลาด ก, ก็เป็นหัวหน้าคนรวมกระทั่งถึงทั่วประเทศอาศัยคนฉลาดเป็นผู้นำกิเลสถ้ามันโง่แล้วมันจะนำสัตว์โลกให้เกิดแก็บเจ็บตายกันมาตลอดจนปัจจุบันนี้และต่อไปข้างหน้าเป็นอนันตการหาที่สุดไม่ได้นั่นได้อย่างไรคำว่าผ่านผ่านคนพ่านก็คือว่าถูก ก, ถกิเลสกล่อมถูกกิเลสครอบงำถูกกิเลสปิดหูปิดตา คิริยาการที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมเป็นประเจอเรื่องความเป่นพิดเป็นภัยทาง น, นคนประเภทนั้นเรียกว่าคนผ่านพี่เิตร์มันฉลาดมันครอบหัวคนนั้นให้เป็นคนผ่านไปได้ให้เป็นค่าศึกต่อตัวเองแล้วก็เป็นค่าศึกต่อส่วนรวมไปท่านท่านไม่พบคนผ่านประเภท น, นั้นที่นี่ความคิดของเรา ในวันหนึ่งเวลาหนึ่งมันคิดเรื่องประเภทนี้มากเท่าไหร่ทั้งๆที่เราก็เป็นนักบวชนักปฏิบัติอยู่เช่นนี้แหละขณะที่จะคิดเป็นอัดเป็นธรรมเพื่อจะแก้จะถอดถอนกิเลสนั้นมันมีสักเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วห้าเปอร์เซ็ตก็มาได้ในร้อยเป็นตขั้นตะเกียบตะกายขั้นอุตสาห์พยายามของเราในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้แม้แต่ขั้นสมาธิมันก็นยังเป็นเป็นอย่างนี้เราไม่กล่าวถึงขั้น มหาสติมหาปัญญาอันนั้นไม่กล่าวเพราะนั้นพลังของธรรมมีเต็มเกือบว่าเต็มที่แล้วถึงขนาดที่ว่าอัตโนมัติหมุนตัวไปแล้วอันนั้นไม่ไ ม, ไม่นับเข้ามาใ น, ในวงนี้นอกนั้นมีแต่เรื่องคนผ่านหัวใจผ่านทางนั้นนให้น้องเข้ามาคิดแยกนอกแยกในที่นักปฏิบัติไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าฉลาดได้ยังไงทำสอนให้คนฉลาดไม่ได้สอนให้คนงู ต้องสอนให้เจ้าของฉลาดเนี่ยสําคัญใครจะโง่จะฉลาดขนาดไหนก็ยังไม่ได้เป็นสมบัติอันแท้จริงของเราต่อเมื่อความโง่หรือความฉลาดมันมีอยู่กับเราเนี่ะเราจรึงจะได้รับผลทั้งดีทั้งชั่วตามความโง่ความฉลาดนั้นแต่พออย่างยิ่งความฉลาดนผิดขึ้นมาที่ความฉลาดนี่แหละจะแก้ความความโง่งตัวเองเพราะความถูกกล่อมของจิตเหตุได้ฉันว่าให้พบ อยากควบกลมผ่าคค น, านให้รนมัดระวังความคิดความตุ้ ง, งอของ้าของในขณะหนึ่งมันคิดได้อย่างคล่องตัวรื่นไม่มีอะไรเสมอความรวดเร็วของจิตที่เป็นมานของศาสนาะมันอยู่ภายในตัวของเราเดินจงกรมอยู่มันก็เหยียบย่าทําลายอยู่ตลอดเวลาแล้วอยากเข้าใจว่าเราเดินจงกรมมานของเราไม่มีเราทําความเพียรและภาพภูมิใจในความเพียรของทั้งที่หาสติสตังไม่ได้ทูคิดเลย ไปเหยียบย่าทํำลายแหลกงมดอย่างนั้นเหลือความเพียร้าคภูมิใจกับสิ่งอย่างนั้นสิ่งนั้นเหลือนะปฏิบัติต้องชี้แจต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้กําลังของกิเลสมากเราจะไปทําอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลห ย, ยู่ทําภาษีภาษานั้นภาษีภาษาเป็นเรื่องของกิเลสเหยียบคนงต่างหากนี่นะไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องการประคองตนด้วยธรรม ตามประษีภาษาก็คือคําว่าประษีภาษาคือคื อ, ค, อ, ค, อคนโง่เง่าเต่าตุนไม่มีทะเบียนบัญชีอะไรเป็นที่รับรองหรือยอมรับกันเลยนั่นแหละภาษีภาษานั่นเหลือจะเป็นสมบัติของพวกเราผู้ตั้งใจเพื่อความเฉลียวฉลาดด้วยอ้วยธรรมของพระเจ้าเพราะการปฏิบัติของตนต้องการความตามปภาษีภาษานั่นเหลือต้องศืนที่นักปฏิบัติ ไม่ฝืนไม่รู้ไม่ฝืนผ่านไปไม่ได้ถึงขั้นฝืนต้องฝืนถึงขั้นฟัดต้องฟัดต้องเวี่ยงกันเต็มที่เต็มผานเป็นก็เป็นตายก็ตายเมื่อถึงเวาราที่ควรจะตะลุมบอนกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นในหลักธรรมชาติของการรพุทธปฏิบัติเอาดันเนินไปท่านทั้งหลายจะเห็นจะรู้เองขอให้ความมุ่งมั่นเรื่องของมรรคผลนิพพาน เ, ออนเรื่องอดเรื่องธรรมให้เต็มหัวใจเถอะความมุ่งมั่นนี้แหละจะเป็นแม่เหล็ก ดึงดูดความภาคความเพียรความบูสาพยายามทุกอย่างลำบากขนาดไหนมันก็บรินเพราะความมุ่งมั่นมีมากาให้เพื่ทราบเลยว่าสาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องเลยตั้งแต่การไหนการอะไรมาประคัมพุธการกระเทือนพระไทยของพระพุทธเจ้ากระเทือนพระใจของสาวกจน ถ, ถึงเป็นอาทหารประารรากาศทำสอนโลกกังวลไปทั่วสามแดนโลกธาตุล้วนได้แต่ทำ ออกเวทีคนที่นับถืออุปถัสดศาสนามีความเที่ยวความนับสาหนักเข้ามากน้อยอย่างไรก็หลุดไปพ้นไปพ้นไปนั่นแหะคือความมุ่งมั่นนั่นแหละตลาดตลาดทางโมกุญญาภัยกังวานตั้งแต่สมัยโนนมาสมัยนี้มีแต่ตลาดทางกิเลสทันหาอาศจจวะตลาดทางความทั่วช้าเลวสามเลวหลายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหัวใจของสัตเจึงแสดงออกมาตั้งแต่เรื่องที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาลุนกัน เพรเหตุไรเพราะไม่ได้หันหน้าเข้าสู่ศาสนาอันเป็นตลาดแห่งเมตโผนิพานอันเป็นตลาดแห่งความสู่ความเจริญความเยงใจความแน่ใจความมีหลักมีเกณฑ์ภายในตัวเองตลอดถึงหน้าที่การงานการดําเนินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระดาเนินไปด้วยหลักด้วยเกณฑ์การคลองขีดก็แน่นหนา ม, มั่นคงไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่กระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใดยิ่งเป็นทางดําเนินของข้าด้วยแล้วมีแต่การค่ากิเลส ซึ่งเป็นตัวเสนีย์จันลายเป็นค่าสื่ของใจและของสาสนาธรรมที่จะเกิดขึ้นและมีอยู่ภายในใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นท่นล่ะท่านมาตลาดแห่งมกุฏนิพพานลัาสมัยที่ไหนก็ทําของพระพุทธเจ้าสวุวรรณธรรมตัดไม่ชอบแล้วชอบแล้วอ่านไปในบทในดคมภีรใดเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงชี้บอกอตลอดเวลานั่นแหละที่วัดเป็นแสงสดาแทนเราจถาวรดูเอาในหนั้นสือนะฟังให้ถึงใจอ่านให้ถึงใจมนะ เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างท่านรัตกับพระอานุนทำและ ว, วินายนี่ที่เราถาคตรมันจบไว้แล้วหรือถังสอนไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาทแทนเราเมื่อเราผ่านไปแล้วคือหมากัมวาเราตายแล้วผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทาผู้นั้นเชื่อบูชาเราถาคตนะ่ผลจากการปฏิบัติ ในธรรมานุธรรมปฏิปันโนนี่ก็คือผู้ใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราสาโคตรไงเห็นที่ตรงไหนเห็นธรรมต้างไม่เห็นตามหลักธรรมที่สอนไม่นั้นให้ดําเนินตามหลักธรรมคือสวาาทําให้แน่วแน่ต่อการปฏิบัติของตนและให้ถูกต้องตามหลักธรรมนั้นเถอะก็ชื่อว่าตามเพศพระพุทธเจ้าทุกระยะหรือบูชาพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็ถึงองค์จริงของท่านคือองค์ไหนคําว่าสัจจะคือองค์ไหน พระอุปโภชมเป็นเรื่องท่าเรื่องขันท่าสีดิน้ํานมไฟนี้เป็นเรื่องร่างของาศาสดาแทราศาสตาอุค์เอกได้เจรพระจิตที่บริสุทธิ์พุโทโธเป็นดวงที่ประเสริฐไม่มีอันใดเสมอเหมือนเลยนั่นแหละพุธทธะแทรการปฏิบัติา ต, ตามหลักความจริงที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยมจากหลักความจริงนี้นั่นแหละคือการเข้าเดินตามหลักธรรมของบร์เกอร์เป็นสดสดร้อนๆอยู่อย่างนี้ตลอดมาเอ็นที่เมื่าคนผู้ถือศาสนาน ไม่ได้สนใจเท่าที่ควรและไม่ได้สนใจเท่านั้นยังไม่ปรากฏผลขึ้นมาให้ได้ตัวเองได้ภาคภูมิใจบ้างแม้เล็กน้อยการให้ทานก็จะสั์แต่ว่าทานไปนยินปู่ย่าตายายแปลว่าให้ทานในบุญทำภัยเพราะมันไม่ได้ถึงใจแม้ที่สุดการภาวนาเช่นอย่างนัาปฏิบัติท่องเรานักบวชท่องเรานี่แทนที่จะถือ ง, งานอันนี้เป็นสาระสําคัญ เัทเลตหลายไปเรื่องงานนอกงานางานโลกการึงสารงานพิเศษตัญหาไปเสียจะเอาทามาจากไหนนี่นาจตลาดมาผลนิพพานธรรมตลาดผลนิพพานก็คือธรรมานุธรรมปฏิปันโนเนี่ยนะตลาดาปฏิบาททาัติธรรมนี้ตามคำสอนนี้ผลจะปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดาชนิดไหนมีหมด ตั้งแต่กันยาณปุติชนขึ้นไปถึงโสดาปฏิมาศโสดาปฏิผลสักกิทาคาอนาคาอรหัตมากราตถผลหลุดพ้นไปเลยไม่นอกเหนือไปจากสารธรรมที่เป็นว่ามัชฌิมามัชฌิมานี่เลยพอเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมในลักษณะของธรรมานุธรรมปฏิปันุอยู่เสมอไปหลักธรรมท่านในสังฆคุณก็ประกาศกลางวานอยู่ได้หัวจของเราทุกวันนี้ให้เหลือได้สวดอยู่ไม่ให้หลือ พระสุปฏิปนูอุชุปฏิปนูญาญาปฏิปนูสามมิจิปฏิปนูน่ะนี่แหละผู้สทมงบอกขุนิพานท่านก็บอกอยู่แล้วผู้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติดดตรง n g แน่ก็ตรงหลักทำหลักวินัยนั่นเองญาญะกับปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้แบบรู้ปลอมเห็นปลอมนี่รู้ปลอมเห็นปลอมเคยรู้เคยเห็นมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเนี่ยสามมิจิปฏิบัติสมควรจะทำ ปฏิบัติเรืวความรับรื่นสม่ำเสมอเป็นที่ภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อตัวเองก็ภาคภูมิใจในการปฏิบัติของตนเองทําไมคนอื่นเขามีหูมีตามีหัวใจทําไมเขาจะไม่ทราบว่าใครปฏิบัติดีน่ากล่าวไหวบูชาเคารพนับถือเขาก็ต้องรู้เหมือนกันนี่ไอ้ยังจะตาริภุริษฐ์อยู่อะไรอัฏฐภุริษฐบุคลาคู่เฮงบุรุษสีคือบุคคลจำแปดท่านแยกเป็นบุคลาธิฐานตั้งแห่ต่างหากจะได้แก่คู่สีบุรุษสีที่ไหนมา ก็ตัวของเรานี่เองตัวของหญิงของชายผู้ปฏสุปติอุชุญาญาสาไมีกี่นี่แหละจะเป็นที่ไหนไปคู่ของบุรุษสี่ก็คือคือคู่แห่งธรรมมรรคสี่ผลสี่นั่นเองอผู้ใดเป็นผู้คลองกบผู้นั้นเป็นผู้หญิงคลองก็ผู้นั้นผู้ชายคลองกบผู้นั้นครองด้วยการปฏิบัติถูกต้องของตนะจะไม่มีหญิงชายที่ไหนมาแปรปลอมมา ช่วยเอามาผลนิพพานอันนี้เป็นคู่บุรุษีบุกบุคคลแปดจำพวกไปก็คือผู้ปฏิบัตินั่นเนี่ยถ้าแยกประเภทเออกไปถ้าเป็นผู้เป็น ค, นคู่เป็นสี่คู่ทํามากผลมากผลมากผ ล, กผลนะโสดาปฏิมากโซวาปฏิผลเนี่ยก็เป็นคู่เศรษฐกิจทาคาร์เศรษฐกิจาคาผลก็เป็นคู่หนึ่งนะสองคู่แล้วอนาคามีมากอนาคามีผลก็คู่หนึ่งเป็นสามคู่แล้ว อนาคตมหากราบ า, า, า, า, า, า, า, า, ารผลคู่หนึ่งเป็นสี่คู่แล้วใครจะบรรลุในธรรมที่กล่าวมานี้ก็ดำเนินมากแน่ก็มันก็ต้องเป็นคู่สิเอผลปรากฏขึ้นมาก็รับกันรับกันรับกันเพราะเหตุกับผลเดินไปตามล่องรอยอันเดียวกันเหตุเป็นที่เกิดของผล จนกระทั่งถึงอาราตถุนใครจะเป็นคนคองก็คือผู้ปฏิบัตินี่แหละอยู่ไหนอยู่ในวงของสมคตธรรมที่ตราไว้ชอบนี้ไม่นอกเหนือจากนี้ความมั่นใจเลยลงได้มีรายจุดนี่แล้วการปฏิบัติก็ให้ตามจุดนี้แล้วไม่ต้องสงสัยอากาลิโกท่านบอกแล้วทาไม่เคยมีการไม่มีสมัยไม่มีการรู้นไม่มีสมัยนี้ว่าทางนู้นทาดีทาง น, ททนี้ทาชั่ว ทางนู่นทำประเสริฐสมัยนี้ทำเร็วสามไม่เคยมีประเสริฐตลอดตเต็มบาดเต็มเต็งทุกอย่างโสดาปฏิมาโซดาปฏิผลทุกกทั้งอาหารตะนาอาาตมะข้าวสาผลอยู่ในวงของสวามิาตธรรมที่ตัดได้ชอบแล้วนี้แล้วอยู่ในวงของสุปฏิปนโนอุชุญานะสามิกิจปฏิปนโนนี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้ให้เน้นหนักลงไปตรงนี้การปฏิบัติธรรม ย่าตื่นข่าวกับใครพุทธังธรรมังสระนังกัจฉานิได้สละชีวิตกับท่านแล้วแล้วไม่ได้สละชีวิตกับชาวบ้านชาวเมืองขี่มูลาขี่มาแห่งที่ไหนเพราะว่าเป็นสระังกัจฉามีไม่หลงอะไรตื่นเงาตื่นปากที่มีกิเลสปากสกปรกปากกุฏิเจ้าปากสะอาดพอใจสะอาดสแสดงออกมาถูกต้องทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดมีเพียรแม่นิดตึงเลยเพราะทรงรู้ทุกเห็นทุกอย่างแล้วจึงนํามาสอนโลกนี่เจาอะไรมาผิด เมื่อเห็นแล้วต้องพูดฟังได้ยินแล้วพูดทุกสิ่งทุกอย่างได้เห็นประจักษ์แล้วนํามาพูดผิดที่ตรงไหนแม้แต่เราตาฟัางฟังด้วยตาเนื้อนี้ไปเห็นอะไรแล้วมันยังชัดเจ น, นยังประจักษ์ตัวเองหายสงสัยได้ทําไมตาญาณซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดแย้มคมยิ่งกว่านี้ทําไมจะไม่ชัดยิ่งกว่านี้ไปอีกร้อยเท่าพันทบีละนั่นี่็นได้คราวถึงเรื่องพานเรื่องบันได มันเด็คือผู้ฉล า, าดฉล า, าดโดยทมไม่ใช่ฉลาดแบบโลกโลกนั่นฉล า, าดแบบคนผ่านกาให้ได้พูดให้ฟังแล้วพยายามระมัดระวังกาจัดสิ่งเหล่านี้นี่เวลามีมากมากมันเลวมันไหลเข้าไปนะผม อ, อกจะแตกนะอย่าว่าไม่บอกพูดอยู่เสมอมเวลามีมากมากมันดีเมื่อไหรมันกดท่วงกันลงไปกดท่วงกันลงไป ไม่มีเจตนาก็ตามนักก็ต้องเป็นหนักผิดต้องเป็นผิดอยู่นั่นแหละไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือไม่เจตนาครูมาให้ตั้งหมูตั้งใจศึกษาด้วยดีอย่ามาเล่เล่รอนรอนเล่เด้านด้านขีดขวางหมู่เพื่อนเฉยเฉให้ดูตามีให้ดูข้วาววัดปฏิบัติการคุยปฏิบัติของหมู่ของเพื่อนครูบาอาจารย์ท่านทํำยังไงหูมีให้ฟังฟังแล้วนําไปชีดเพื่ออาจเพื่อทํา สมกับตนที่มาศึกษามาอบรมนั้นถึงจะเกิดประโยชน์มันเพียงแพทย์เฉยๆใครทําก็ได้ไอ้ผมโกนก็ได้โกนจนกระทั่งมันเอาทั้งหนังออกอย่างนี้เหลือแต่กะโหลกที่สามก็ได้แต่มันไม่เป็นมากเป็นผลให้ทีถ้าไม่มีการปฏิบัติไม่มีความสนใจอันนี้เป็นเพศประกาศให้โลกเขารู้ว่านี่คือเพศนักบวชเราเองก็รู้ว่าเราเป็นนักบวชได้ปล่อยวางมาหมดแล้วสิ่งเหล่านั้น แต่จิตใจมันเป็นยังไงมันบวช ด, ด้วยไหมกิเลส ท, ที่อยู่ภาในจิตใจนะั้นมันบวช ด, ด้วยไหมมันปล่อยวางไหมมันไม่ได้ปล่อยนะต้องในต่อสู้กันอีกทีหนึ่งต้องบวชมันอีกทีหนึ่งฆ่ามันอีกทีหนึ่งมุงจะได้อันนี้เป็นเพียงเพศเป็นเครื่องประกาศให้โลกข้างหลาได้รู้ว่า น, นี่คือเพศแห่งนักบวชเพศไม่มีอิจฉา พ, พยายามบัดอาฆาต จ, จังเวีพนผู้ใเป็นเพศที่ลมเย็นเป็นเพศที่ไว้วางใจได้อะเป็นเพศที่สงบเป็นเพศที่เย็นใจ ประกาศไปอย่างนั้นแต่ที่นี้เราเย็นใจไหมเราเป็นเพศนั้นแล้วเราเย็นใจไหมถ้าไม่ฆ่ากิเลสออกได้เมื่อไรใจก็หาความเย็นไม่ได้นั่นแ่ะตรงนั้นะ่ะต้องฆ่ามันตรงนั้นที่มสละกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจากทั้งโลกทั้งศาลออกมาบวชมันสลักตั้งแต่กายหัวใจไม่สละมันคว้าโนนคว้านีทั้งอดีตอ น, นาคตคว้าลมควา้าแล้งจริงไม่จริงมันคว้าไปหมดแล้วจะเอาอะไรมาเกิด ผลเกิดประโยชน์อะไรจะมาเป็นมักเป็นผลเพราะมีแต่กิเลสมันมาทํางานอยู่บนหัวใจของพระผู้ประพฤติปฏิบัติศาสนาผู้จะกําจัดกิเลสเช้เองนะทําไหม่เพราว่าจะกําจัดกิเลสมันมีแต่ความคิดจะคิดเฉยว่าจะกําจัดแต่ผู้มันกําจัดเราคิดหรือไม่คิดนะเก็กําจัดเราอยู่ตลอดเวลาทําลายอยู่ตลอดเวลาเราทราบมันไหมนี่ถ้าอยากจะทราบก็เอาข้อวัดปฏิบัติ เฉพาะอย่างจร่งคือการภาวนาพิจารณาค้นคว้าถึงระยะที่คุณคว้าถึงการที่คน้นคว้าคว้าลงไปค้นลงไปถึงเวลาที่จะบีบบังคับกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตล่ำเข้ามาสู่สมาธิให้มันสงบเมื่อกิเลสสงบความวุ่งสร้างสงบจิตก็เป็นสมาธิอีกก็สงบเท่านั้นแหละเอาให้ได้ตอนนี้ก่ด็ดีทำอะไรทำให้จริงให้จรงอย่ารอรออะไรแหล ะ, ละความรอรออะไรแหล ะ, ละไม่ใช่เรื่องของทำทำทุกสิ่งทุกอย่างมีความจงใจมีความตั้งอกตั้งใจ ทำอย่างแข็งแรงยังเอาจริ้วจังเหมือนกับว่าเรามุ่งผลต่อสิ่งนั้นจริงๆอย่งางนั้นถึงจะเกิดประโยชน์เห็นไหมทาแล้วเละแหล่ๆเจ๊งๆค้างๆมันขวางหูขวางตาอเทวทัศน์มันเข้ามาเหยียบย่ําทําลายอยู่ในหัวใจเราเร า, เรายังไม่ทราบออืยิเลสมานนั้นมันเป็นมารของเรามันขวางหมู่ขวางเพื่อนไปได้หมดนั่นแหละ เกิดขึ้นโดเล็มันไม่เคยล่องมันไม่เคยทำใครให้ดีนี่แต่เป็นพิษเป็นภัยน้อยก็าตามมากกว่าตามยิ่งไม่เป็นสิ่งที่ควรนอนใจกับมันได้สติปัญญามีเท่าไหร่ให้พิจารณาเอาให้เห็นดูดีบวกจิตดวงนี้ที่มันเคยโง่เขลาบัปปัญญาไม่นึกไม่คาดไม่ฝันเลยว่ามันจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันมีถึงแต่รู้เฉยๆรู้ก็ดูแบบกิ้เล็ด บ, บังคับขับสไปกิ้เล็ดถือมังเหียน เขี่ยนตีไปตลอดเวลามันไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะออกนอกอํานาจของกิเด็สแต่มันเป็นความรู้ที่ถูกกิเด็ดขับใสเนี่ยความรู้อนี้มันเป็นอย่างนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนอ้าที่นี่ประพฤติปฏิบัติทำเข้าไปสิธรรมบุรตจ้าที่ว่ากังบาลมาได้สองพันรอปีเนี่ยกังบานในหัวใจของพระปุตตเจ้ากังบานในหัวใจของสาวกประกาศเป็นกระแสเสียงมาให้โลกทั้งหลายได้ทราบแต่มันยังไม่เคยกังบาลในหัวใจเราสินะสิ มันถึงหาความจกความสบายหาความแปลกประหลาดหาความอัศจรรย์ไม่ได้ความฉลาดไม่ทราบอยู่ที่ไหนถ้าลงทํามแล้เข้ากลางวานในจิตใจแล้วความฉลาดจะแตกกระจายออกไปแตกกระจายไ ป, าาย ไ, ปไม่มีความฉลาดใดจะเหนือจิตไปได้จิตเป็นสิ่งที่พิสดารมากเพีเดียวตานี่จะมองเห็นแต่เพียงรูปเพียงสีแสงเท่านั้นเป็นนิสัยของตานอกจากนั้นไม่สามารถเนี่ยมันมีวงแคบ ข, ข, ของมันมันมีวงจำปัดจำกัดของหมันหูก็เหมือนกัน วิทยาวิสัยที่จะฟังได้โดยหูท่านนี้ก็ฟังได้ตอนนั้นมากกว่านั้นก็มีเครื่องช่วยบังเล็กๆน้อยๆอยจมูกลิ้นกายมีเป็นใช้าตามหน้าที่หน้าที่ึงตามที่เรียกว่าเครื่องมือของใจเราใช้ได้แค่นั้นแค่นั้นแต่ตัวของใจเองไม่ต้องเอาตามหูจมูกลิ้นกายนี้มาใช้แต่อาศัยธทำเป็นเครื่องมือพินิจพิจารณาลงไปมันจะกังวานลไปหมดสัดทวนไปหมดความรู้ไม่เคย ร, รู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็น พิสดารไม่มีอะไรเกินหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาทําเข้าบรรจุในหัวใจเต็มเต็มอัดเต็มทำหรือเต็มปิดเต็มใจใจเป็นธรรมธรรเป็นใจแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะประมาณเรื่องความฉลาดความรอบครอบรอบรู้ของกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ของกิดไม่มีอะไรจะเกินในโลกนี้นี่แหละสิ่งที่พิสดารมากแต่พิสดารไม่ได้เพราะกิเลสปีดบับบงคับให้อยู่ในวงจํากัดของมันนี้เวลาทําเข้าเบิกเข้าทําลาย วงจำกัดอันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นออกไปโดยลํา ด, ดับดัๆความรู้นี้จะกระจายกระแสสิทธิ์ของตนออกไปความสว่างสวายออกไปเรื่อยไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นเรื่อยไปตั้งแต่ขั้นรู้หยาบจนไม่ทั่งถึงขั้นละเอียดละเอียดสุดจนกระทั่งถึงละเอียดคือพระนิพพานหมดพนิพพานอันไหนเป็นนิพพานเมื่อกินมันพุ่งทะลุไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้แล้ว ไม่มีอะไรมาติดมาคล้องมาพัวมาพันมาแล้วถามมาทางไหนีม่ผ่านแต่ว่าลูกว้างลูกแคบก็มันก็ครอบไปหมดแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้นั่นยังเรียกว่ารู้อะไรเป็นผู้รู้กระใจดวงนี้เนี่ยดวงที่เคยถูกครอบงำครอบอำนาจของจิเลตอยู่นี่แหละเวลาปาดจิเลตออกจนทั้งหมดอธทําก็เลยครองหัวใจเต็มที่แล้วโลกวิทูที่เราเคยอ่านในตำหนับนั้นลจะ ประกาศกรรมวันขึ้นที่หัวใจดวงนี้อ๋อโลกวิทูเป็นอย่างนี้เท่วเหลือนั่นเห็นแต่ความไม่เคยคาดเคยฝันมาจิตนี้จะได้ดูขนาดนี้จะได้เห็นขนาดนี้จะได้ล่าขนาดนี้จะได้แปลกประหลาดและอัศจรรย์ขนาดนี้ได้เป็นแน้เหรอได้เป็นแลหรือเป็น เ, เนพราะอะไรนะเขาเป็นเพราะรำเป็นเพราะข้อปฏรริบัติเพราะปฏิบัติมาจากไหนมาจากสวข า, า, า, า, าธรรมมาจากศาสนธรรมเน่เมื่อกลุนในนั้นที่นีพระพุทธเจ้ากระลินพานจะนานปีเท่าไหร่แม้กระลินพานกี่พระองค์มาแล้ว นับเป็นล้านล้านก็ตามสงสัยที่ไหนฮะเพราะธรรมชาตินี้ประกาศกลางวานอยู่แล้วถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอันเดียวกันอย่างนี้นั่นนี่แหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นลรทธาคดเห็นตรงกิจที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองคเมื่อเริ่มเห็นธรรมก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเรื่อยเข้าไปเลื่อนเข้าไปจนกระทั่งเห็นธรรมเต็มดวงใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเต็มดวงแล้วนั่นแหละคือศาสนาเต็มองค์เห็นแล้ว ถามหาผู้ที่เจ้าประทับประสงค์ที่ไหนไม่ถามตาแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่คิดให้เสียเวลาความจริงเต็มหัวใจอยู่แล้วไปหาความปลอมอะไรตะครุบกะหาอะไรเงานะตาแล้วจะไปเกิดที่ไหนพบหน้าชาติหน้ามีไหมถามมาอะไร เรื่องพบรสชาติประกาศกลางวานอยู่ในจิตนี้แล้วตั้งแต่ขั้นสมาธิไปและเอียดเข้าไปโดยลําดับหรู้เรื่องพบรงชาติของตัวมาโดยลํำดับแล้วเชื่อของพบของชาติละเอียดเข้าไปกิเลสเรียกอะไรว่ากิเลสและเอียดเข้าไปเชื่อของพบของชาติคือกินเลสปัญญาก็จะละเอียดก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปฟาดฟานกันขาดลงไปขาดลงไปขาดลงไปจกนกระทั่งเอาขาดสะบัดเอาหมดจากหัวใจแล้วดีดออกจาก โลกส ม, มุติดนี่ ท, ท, ทั้งๆที่จิตก็อยู่กับร่างนี่แหละแต่เด็ดกันออกจากสมมุติอยู่ภายในนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นทํารมล้วนขึ้นมาแจะไปเกิดที่ไหนที่นี่เชื่อมีมากน้อยก็เห็นกันอยู่ตัดกันอยู่ฟันกันอยู่โดยลำดับลุ่มดาแม้จะไปเกิดพรหมโลกหรือสุทาวาตห้าชั้นไม่มีเชื่อไปเกิดได้ยังไงนั่นมันก็เห็นจะชอยู่ภายใ น, นจิตเมื่อเราทำลายเชื่อหมดแล้วไปเกิดที่ไหนไหมที่นี่หรือไปเกิดที่ไหนหมดเชั้อแล้ว นั่นท่านว่าสันติโกสันติโกสดสดร้อนร้อนมันนานเมื่อไหร่อยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติทุกรายไปอยู่ที่ตรงนี้สันติโกผู้ปฏิบัติจะพูดรู้เองเห็นเองอาจจะต้องเรโบวินยูฮิท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำพ่ะตนก็ใครกินใครคนนั้นก็อิ่มนะสิเนี่ยคนไม่กินมันหิวทั้งโลกมันก็เป็นเรื่องของเขาหิวนี่เราผู้กินเราเป็นผู้อิ่มเราไม่ได้หิวน่ง มันก็รู้จะชันชันมา ใ, ในตัวเจ้าของเเขาว่าความอิ่มไม่มีก็เพราะเขาหิวก็เราอิ่มเต็มตัวอยู่แล้วหลงบ้าไปกับเขาอะไรนั่นทาพุทธเจ้าเป็นของจริงบรรจุเต็มหัวใจแล้วตื่นบ้าไปกับโรกที่เดดสัทหาว่าโลกมือโรคบอทหาอะไรการแน่นั่นก็เท่านั้นนี่กการปฏิบัติผูแนะนาสั่งสอนที่จะให้เป็นอัจเป็นที่จุด เพื่อพยุงจูงใจนี่มันลาบากนะทุกวันนี่นะเพราะท่านตั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจย่านอนใจการอยู่ด้วยการเป็นของไม่แน่นอนนะมีการพับท่าพันแปรอยู่เสมอเพราะสิ่งอันนี้เป็นสมมุตินี่ยเมื่อเป็นสมมุติแล้วจะนอกเหนือไปจากกฎนิรันดร์ทุกขออั้นตาได้ยังไงมันต้องแปรสภาพไปอยู่เสมอในขณะที่เป็นการอังควรอยู่นี้ให้พยายามตักตวงยานอนใจ ยังไงก็ให้มุ่งต่อศาสดามุ่งต่อความบุญพ้นเป็นหลักใหญ่แล้วความเพียรจะได้ค่อยคืบคลานไปตามตามนั้นความอุตสาห์พยายามก็จะเป็นไปการอยู่ในโลกนี้เคยอยู่มาแล้วดูปัจจุบันคาดคันันนี้ก็แล้วกันใจดวงนี้ที่เป็นอดุลในวงของสมมุติอยู่ในวงกคงจักนี้เป็นยังไงวิเศษอะไรบ้างคิดวันหนึ่งคิดยิ่งกว่ากงจักมันได้ความวิเศษอะไรจากความคิดเหล่านี้เทื่อใดอะไรฮะ คิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรดเครื่องสัมผัสเรื่องอดีตอนาคตทำมารมที่เคยได้รู้ได้เห็นอะไรนั้นเอามาเป็นทำมารมยุง่งอยู่จนพานในหัวใจนี้มีเศษวิสอะไรทีนี้เราจะเปลี่ยนความคิดนี้ให้เป็นอจเป็นธทมเพื่อตัดฟันความคิดที่เป็นกองจังนี้ออก ท, ทําไมจึงถือว่าเป็นความลําบากลําบนแล้วจะ ก, ก้าวได้ยังไงมันก็จะเป็นหมูขึ้นเฉียงอยู่นั่นสิจะได้เอามีดตะพักเขี่ยลงก็ยอ่อจะไม่ยอมลงนี่เราไม่ใช่หมูนี่ ทำไุมมยเจ้ากระเทือนโลกอยู่เรื่อยมาทำไมเราจึงจะไม่ตื่นถึงใจก็ในธรรมท่านแสดงไว้ว่าโกนุห้าโซกิมานันโดนั้นแม้ถึงใจมากนะสะเทือนใจมากเสียนิจังปัจทริเตสติอันทการเลนะโอนัธาปฎิ ปริปังนากเวสถนะกะมอโลกสันนิวาตนี่มันเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาโรนอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนนึ่งนอนหาเวลาเ ย, ย็นมาได้นี้พวกท่านทั้งหลายหัวเราะรื่นเริงกันหาอะไรนะทําไมจึงไม่ ส, สะแสวงหาที่พึ่งนะปะนอนใจอยู่อะไรประมาทอยูนะ่ทําไมเตือนกันาหาเรื่องอะไร ถึงใจมันพูดอะไรท่านผู้รู้จริงเห็นจริงนํามาพูดเหมือนกับว่าเอามัพผลิพานมาเปิดให้เราดูต่อหน้าต่อตานี่แล้วเอาฟืนมาไฟมากให้ดูอีกต่อหน้าต่อตาหเห็นทั้งโทษให้เห็นทั้งคุณประจักรแต่หลงใจไม่ยอมรับแล้วมันก็หมดท่าเหมือนกับคนไข้มองหน้าหมอไม่รับยา น, นั่นแหละมีแต่ทานจต่ฟืนมาเผากันไป เก ป, ประโยชน์อะไรนี่เราบวชมาเพื่อทรงมรรคทรงผลทรงอัดทรงธรรมทำไมมันจะทรงตั้งแต่กิเลสตลอดไปอย่างนี้หาความพิเศษอะไรเคยทรงมานานเท่าไหรแล้วกิเลสครอบหัวได้ปลื้อะไรจะแก้กิเลสปัญหาว่าแต่ละอย่างแต่และอย่างอย่างทําไมสร้างความท้อแท้ออนเดแต่ตัวเองอันเป็นเรื่องของกิเลสแท้ๆภาให้เป็นภาให้ทำํำภาให้ขัดขวางการดําเนินที่ถูกต้องดีงามขั้งตน ต้องคิดเรื่องเหล่านี้ระยะนี้จะยังไม่ทราบแต่ยังไงก็ให้ดําเนินตามที่แสดงนี้เถอะจะค่อยทราบไปเดื่ยลำดับในเรื่องของกลมมยังกิเลสนี้แหลมคมขนาดไหนจะทราบด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเชี่อเหล่านี้พ้นไปจากนี้ไม่ได้เพราะทับกิเลสไม่ได้เหนือธรรมทำเหนือกิเลสให้สร้างธทรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหธรรมขันติธรรมขึ้นให้มากเถอะ ยังไงก็จะต้องทราบได้ดูหน้าดูตามันค่ากิเลสล้มทั้งหลายเห็นประจักษ์ต่อใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยแหละทาเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องฆ่าถ้าเรานำมาฆ่าจิดที่ถูกเผาอยู่ด้วยพืนด้วยไฟ ราคาตัญหาคือราคคกินาโทสักกินามอกกินามันร้อนขนาดไหนจิต ท, ที่หลุดพ้นออกไปหลุดลอยออกไปจากฟืนจากไฟนี้แล้วเย็นขนาดไหนท่านก็บอกไว้แล้วว่าประมังสุขขังนั้นมีสุขอะไรที่จะเสมอเหมือนได้ประมังสุขขังน่ะไม่มีอะไรเสมอแล้วนัตถิสันติประรังสุขขังน่ะความสงบได้จะ เสมอเหมือนความสงบที่จีเดียตตายอย่างราบไปหมดแล้วนั้นความสุขใดที่จะนอกเหนือไปจากความสุขที่จิเดียตหมาะราบไอจีเดีตเป็นตัวอันเป็นตัวคาสึกหมอบราบไปหมดแล้วนั่นหละประมังสุขขังหมายถึงอันนี้ผู้บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ทราบเรื่องเหล่านี้ ในกิเลสปรามังสุขขังมันมีไหมล่ะเราก็เห็นไหมไม่ว่าราคะไม่ว่าตัณหาปรามังสุขขังมันมีที่ไหนขึ้นชื่อกิเลสก็เป็นไฟทั้งนั้นราคะกีนาเนี่ยไฟคือราคะโทสะกีนาไฟคปอโทสะโมหะกินาไฟคือโมหะเนี่ ย, ม, ม, ยมีแต่ไฟแต่ไฟแล้วเอาอะไรมาเย็นคำว่าไฟ มันมีแต่เผาลงไปเผาลงไปจนเป็นเท่าเป็นฐานนี่เราเป็นเท่าเป็นฐานมากี่พบ ก, กี่ชาตินับได้หรือเรื่องพบเรองชาติทั้งเราที่ถูกกิเลสเหล่านี้ผิดขึ้นมาแล้วเผาผิดขึ้นมาแล้วเผาผิดพบผิดชาตินั่นแหละขึ้นมาแล้วเผาเผาอยืนนั่นตลอดกี่พบ ก, กี่ชาติได้ของวิเศษอะไรมาพอที่จะนิ่งนอนใจกับมันอยู่ตลอดไปเพิ่มหลับไปกับเพลงกล่อมของมัน ทำเข้าถึงใจไม่ได้เอาจริงให้จังนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นแดนแห่งความพ้นทุกจะไม่พ้นที่ไหนจะพ้นที่ถูกจองจําอยู่นี้่ะคือจิตดวงถูกจองจําอยู่ลานจะพ้นที่นี่พผู้นี้เป็นผู้สลัดผู้นี้เป็นผู้ปักผู้นี้เป็นผู้ชําระอเป็นผู้ฟาดฟันกันกับกิเลสผู้นี้เป็นผู้เผยกิเลสจะเป็นผู้ใดเป็นผู้รับผล อันดีและดีเลิศจากการกระทำดังที่กล่าวเหล่านี้ก็คือจิตดวงนี้เองพากันตั้งอกตั้งใจอย่านิ่งนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งมันมีแต่มือกับแจ้งเท่านั้นหละโลกอันนี้ยาไปตื่นอันมือแจ้งนี้เคยมาแล้วตั้งแต่วันเกิดว่ายอยัางไงแล้วตื่นอะไรอีกวันคืนปีเดือนออกไปจากมือกับแจ้งนี้ ว่าเสาอาทิตจันนังคารพูดประหัตเนี่ยสุกแหว่าไปชั่วจะรู้ขานทอมลุงเสียงว่ากันไปตามขั้นสมมติที่ใช้กันอยู่ในวงนี้เท่านั้นแต่ผู้หลงแล้วก็ไปใหญ่อันนี้ก็เป็นไฟได้แต่ผู้รู้เท่าแล้วมันมีอะไรมีแต่มืดกับแย่งขนานั้ น, ในใตายเกิดตายเกิดนี่มันกาสจันอะไรมันก็อยู่ในตัวของเราอยู่แล้วถ้าจะ สิ่งนี้พาประเสริฐก็ควรจะประเสริฐกันมากไปหมดแล้วในโลกฐานนี่มันไม่ประเสริฐนั่นสิหัดจึงสอนมันเป็นปืนเป็นไฟายทั้งนั้นสำหรับผู้ปฏิบตัติควรจะคิดจะค้นให้มากให้สิ่งเ่านี้เพื่อเดีย่าังใจองต้นให้หลุดลอยออกไปแล้วเสเวยยิมุติสุขทันว่าหนั่นฟังสิยิมุติสุขคือหลุดพ้นแล้วจากเครื่องจองจําทั้งหลายประมังสุ ข, ขัง อนนิพพานังปรามังสุ ข, ขังหมายถึงใจนั่นเองที่ดับสนิทแล้วในบรรดาเชื้อทั้งหลายแต่เป็นประมังสุ ข, ขังนอาระเปรงเป็นพระนิรู้สึกมีแปลแปเป็นมาปล า, ายมัเนี่ยยีนี่แหละ